พระคุณเจ้าแล้วก็พระเทรทเทระแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านเมื่อสองวันก่อนทิศเที่ยวนะก็ยังมาพูดคุยนะกับพระในวัดด้วยสีหน้าที่ยิ้มแยง้งแต่ว่าตอนนี้นะก็นอนอยู่ในหีเบื้องหน้าาแล้ว วันซืนออะไรเที่ยวก็เดินมาที่วัดนะตามปกติแต่ว่าวันนี้นะก็ถูกพวกเราหามมาวางไว้บนเชิงตะกอนข้างหน้าเรานี้นอันนี้คือความจริงของชีวิตนะ ก็คือว่าไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตนั้นเป็นของไม่จีรังยั่งยืนเมื่อวานนี้ยังพูดคุยหัวเราะแต่ว่าวันนี้ก็กลับกลายเป็นร่างที่เหมือนท่อนไม้ตัวเย็นชืดไม่มีลมหายใจ ที่เคยเดินได้นะก็ไม่สามารถจะเดินได้ต่อไปชีวิตของทุกคนในที่สุดก็ต้องมาลงเอยอย่างนี้แหละไม่ว่าจะอยู่ไหนยิ่งใหญ่แค่ไหนปลายทางก็คือเชิงตะกอนที่รอให้ผู้อยู่เบื้องหลังนะ เขาเพื่อให้ร่างกายกลับคืนสู่ดินน้ำไฟลมวันนี้เรามาร่วมการทำบุญให้ทิชเที่ยววันหน้าเราก็จะมานอนอยู่ตรงนี้เพื่อให้ญาติสนิทมิตสหายมาทำบุญให้กับเรา มางานศพก็ขอให้เราลึกถึงความจริงข้อนี้เอาไว้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายและจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ก็ไม่มีใครบอกได้อย่างที่เที่ยวนี้ก็อายุแค่48นะก็จากไปเส็จแล้วนะ เวลาไหนจะจากไปก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นไม่ว่าเช้าสายบ่ายเย็นหรือว่าตีสามงั้นขอให้เราเามาระลึกนึกถึงความจริงของชีวิตว่าสักวันหนึ่งเราก็หนีไม่พ้นความตาย ลองคิดสักหน่อยว่าเมื่อแต่ก็ตามที่ความตายมาถึงตัวเราถ้าเกิดยังรู้นะว่ามันจะมาถึงนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่รู้หรอกนะมาปุ๊บก็ตายปั๊บเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดจะรู้ล่วงหน้าสักหน่อยแม้จะแค่นาทีเดียว ถ้าถามใจเราว่าถ้ามันมาถึงเราพร้อมหรื อ, อยังเราพร้อมตายหรือเปล่าคนเราเนี่ยถ้าหากว่าทำความดีอยู่เสมอไม่เคยทำชั่วก็จะพร้อมตาย คนที่ไม่พร้อมตายก็คือคนที่ยังทำความดีไม่มากพอแถมยังทำชั่วผิดศีลนะพูดถึงความตายใคร เ, เขาก็ขกลัวแต่ที่จริงแล้วความตายมันไม่น่ากลัวหรอกไอ้ความกลัวตายต่างหากนะที่มันน่ากลัวกว่า ที่คนเรากลัวตายเพราะเรายังไม่พร้อมและที่เราไม่พร้อมเพราะว่าเรายังทําความดีไม่มากพอถ้าทําความดีมากพอความชั่วไม่เกี่ยวข้องนะก็จะไม่กลัวตายหรือกลัวก็กลัวน้อยอย่างพระพุทธเจ้านี่ได้ตรัสเอาไว้นะสมัยเป็นพระโพธิสัตว์นะว่าเราไม่เคยทําช่วยในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึง คนเราถ้าทำความดีนะมั่นใจในความดีมั่นใจในชีวิตที่ผ่านมานะก็จะไม่กลัวตายเพราะรู้ว่าตายแล้วไปดีแน่เพระพุทธิสัตว์ก็เคยกล่าวอีกตอนหนึ่งว่า mm. เมื่อตั้งมั่นในธรรมย่อไม่กลัวกอรโลกนะปราโลกคือโลกหน้าคนเราจะไปโลกหน้าได้ก็ต้องตายก่อนนะ คนเราเนี่ยถ้าตั้งมั่นในธรรมนะมั่นใจในความดีแล้วก็ไม่กลัวตายยิ่งรู้จักนะรู้จักปล่อยรู้จักวางนะความตายก็จะไม่น่ากลัวยต่อไปปล่อยวางได้ก็เพราะรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้แม้กระทั่งเดี๋ยวว่าแต่ทรัพสมบัติเลย แม้กระทั่งชีวิตร่างกายนี้ก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ที่กลัวตายก็ยังหวงแหนชีวิตนะไม่ต้องพูดถึงหวงแหนทรัพย์สมบัติคนรักแต่ถ้าเกิดว่าเราทำความดีแล้วแล้วเราก็หมั่นเจริญภาวนาอยู่เสมอพิจารณาถึงความจริงของชีวิตอยู่เป็นประจำ มางานศพก็พิจารณาว่าเออสักวันหนึ่งเราก็ต้องเดินจเจริญรอยตามอาทิกเขี้ยวไปนะเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเนี่ยนะเราก็จะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยป่าประโยชน์นะไม่ต้องรอให้วันตายมาถึงเราที่ไม่ทำอะไรเล ย, ยกลับจะรีบทำนะรีบหมันทำความดีไม่ทำความชั่วนะ ผิดศีลผิดธรรมก็ละเว้นนะไม่ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รักขโมยยืมเงินใครล้วไม่คืนนะอันนี้ก็ไม่ทำนะจะไม่รักจะไม่ลักขโมยจะไม่เอ่อเรียกว่าคดโกงใครไม่ผิดลูกิดเมียใครไม่โกหกพกลมไม่ใส่ร้ายนะแล้วก็พยายามนะ รักษาความรู้สึกตัวด้วยการละเว้นอบายามุกโดยเฉพาะสุรายามเมาเนะพราะคนเราเนี่ยเมื่อจะตายนะถ้าตายยังมีสตินะก็ถือว่าตายดีแต่ถ้าตายเพราะว่าหลงตายคือไม่มีสตินะก็ถือว่าตายไม่ดีแล้วหลงตายไม่มีสตินะก็อาจจะเกิดเพราะการกินเหล้าเมาสุรานะ หากว่าเราเระลึกอยู่เสมอนะว่าเราต้องตายนะและไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ก็ทําความดีไว้เสมอนะช่วยเหลือส่วนรวมเพื่อเพื่อเกื้อกูลมีน้ําใจนะไม่ได้ทําความดีกับพระหรือว่าทําบุญที่วัดเท่านั้นแต่ว่าทําบุญช่วยเหลือเพื่อมนุษย์หรือแม้แต่สัตว์ เดรัจฉานนะก็ไม่รังเกียจไม่รังแกอันนี้ก็ทำให้มั่นใจในบุญนะเวลาเจ็บเวลาป่วยเวลาจะตายระ ล, ลึกถึงบุญที่ได้ทำก็จะไม่กลัวตายไม่มีความทุกข์ทรมานด้วยซ้ำอย่างพระเจ้าตรัสไว้เป็นภาษิตว่าบุญย่อมทให้ยกบุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตนะ คนเราจะต้องตายนะแต่ว่าเมื่อตายหรือก่อนตายราลึกถึงความดีที่ได้ทำเราลึกถึงบุญที่ได้บำเพ็ญนะก็จะทำให้อ่ไม่ทุรนทุรายนะเรียกว่าตายสงบได้แต่คนเราถ้าทำชั่วแล้วเนี่ยนะก่อนตายเนี่ยไอ้บาปที่ทำไว้มันจะมาหลอกหลอนบางคนก็นึกเห็น หน้าคนที่ตัวเองเคยฆ่านะมีพระรูปหนึ่งมาบวชเมื่อแก่ตอนจะตายนะก็ร้องทุรนทุรายพระก็พยายามน้อมใจให้ระลึกถึงกุศลนะบอกอรหังนะเพื่อให้ระลึกถึงพระรัตนใจแต่ว่าพระรูปนั้นนี่นึกไม่ได้เลยนะ พอเห็นหน้าแต่คนที่ตัวเองเคยฆ่าสมัยเป็นคารวานนะบางคนก็ไม่ได้ฆ่าคนแต่ฆ่าสัตว์ฆ่าเป็นประจำฆ่าด้วยความยินดีเช่นฆ่าไก่ฆ่าเป็ดฆ่าวัวฆ่าควายทําเป็นประจำเวลาจะตายก็อาจจะเห็นสัตว์ที่ตัวเองเคยฆ่านี่ยมาหลอกหล้อนนะ บางคนก็ร้องเสียงเหมือนเป็ดเสียงเหมือนไก่ก็มีนะบางคนก็ทำ ท, ท่าทำทางมนก็ไก่ชนนะที่ตัวเองเนี่ยชอบทรมานนะอย่างมีโยงคนที่บ่อนไก่เนี่ยบ่อนไก่กรุงเทพเนี่ยมีแต่ก่อนไม่เป็นบ่อนไก่จริงๆนะมีไก่ชนทรมานไก่ชนมากทรมานจนตายนะพอตัวจะตายนี่ก็เอามือเนี่ย เอามือสองข้างเนี่ยมากระแทกกันกระแทกแบบนี้แล้วก็ลองเป็กพ่อเป็กพ่อเปกพ่อกระแทกจนเลือดออกนะกระดูกแตกก็ยังไม่เลิกกระแทกตัวเองกลายเป็นไก่ชนไปแล้วนะพอทรมานไก่ชนแต่พอจะตายตัวนี้ก็กลายเป็นไก่ชนเซ็เองอันนี้เรียกว่ามันเกิดวนะิบากตามทัน อย่างนี้ก็จะตายดีได้อย่างไรคนที่ทําชั่วนั่นแหละนะที่กลัวตายคนที่ทําดีแล้วก็เห็นความจริงนะของชีวิตว่าอะไรละรก็ไม่เที่ยงดิษมั่นถือมันไม่ได้สักอย่างนะทรัพย์สมบัติก็มีเป็นมีไว้เป็นของชั่วคราวนะถึงเวลาจะตายก็ต้องทิ้งเอาไว้ให้คนข้างหลัง มันทําความดีไว้เดอ้อเพราะว่าความดีหรือบุญคุณศลนี่แหละที่มันจะเป็นสเสบียงติดติดตัวหรือว่าตามติดติดใจของเจ้าของไปนะคนเราเวลาตายนี่มันไม่ได้มันมันไม่ได้หมดนะหมดสิน้นมันเหมือนการเดินทางที่ยงต้องเดินทางต่อไปก็เดินทางด้วยใจที่สบายนะโปรง่งโล่งเบานะ อย่าแบบบาปเอาไว้อย่าแบบอกุศลเอาไว้นะทำความดีเอาไว้มันจะได้เป็นสเสบียงอย่างที่เคี่ยวนี่ก็ถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นคนที่บ้านตากนะโดยกำเนิดนะเรว่าเป็นเขยบ้านตากนะแต่ว่าเพื่อนก็ก็ทุ่มเทนะเรื่องการรักษาป่าช่วยโดยส่วนรวม ทั้งทงที่ไม่ได้เกิดมาที่นี่นะแต่ว่าจะหาใครที่รู้เรื่องนะเกี่ยวกับการปลูกป่าที่ภูลงเนี่ยนะคงไม่มีใครนะสู้ทิชเคี่ยวได้เรียกว่าทำมากับมือนะแทบจะทุกตารางเมตรนะของแปลงปลูกป่า ก็ทำกันมาตั้งแต่เป็นพระแล้ว <Okay. S 1> เป็น้าก็ช่วย <Okay. S 1> ทำแนวกันไฟ <Okay. S 1> นะช่วย <Okay. S 1> ปลูกป่าโดยพ่อช่วยดับไฟป่านะตอนหลังศึกออกมานะแล้วก็ได้มาอยู่บ้านนี้ก็ <Okay. S 1> ก็ยังเป็นกำลังนะในการพาชาวบ้านมาช่วยกันทำทางขางหญ้าทำแนวกันไฟ ปลูกต้นไม้รักษาป่าแล้วก็ดับไฟป่าอันนี้ก็เป็นความดีอย่างหนึ่งนะที่ควรจะเราลกนึกถึงเอาไว้นะคนเราทำความดีได้หลายอย่างนะและความดีอย่างนี้ก็คือการรักษาช่วยเหลือเพือเฟื้อส่วนรวมนะดูแลรักษาป่า ดูแลลำห้วยลำทานแล้วก็ช่วยรักษาประเพณีศาสนาก็ขอให้นะมางานศพแล้วไม่ว่าเป็นศพใครก็ตามขอให้มีความตั้งมั่นนะที่จะทำความดีเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่เราละจากโลกนี้ไป เมื่อถึงเวลาที่นะไปเผชิญหน้ากับพยายมนะก็สามารถจะพูดได้อย่างมั่นใจว่าชีวิตที่ผ่านมาในโลกมนุษย์เราได้ทำความดีเราได้ละเว้นความชั่วแม้จะเผลอจะพลั้งไปนะก็ตั้งใจไม่ทำอีกน ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ เมื่อเรามาทำบุญให้กับทิเคี้ยวแล้วในวันนี้นะก็ขอให้เราได้ได้บุญกุศล น, นะติดไม้ติดมือหรือได้ธรรมะเนี่ยมันประดับสติปัญญาของเราธรรมะเรื่องความไม่เชื่องของชีวิตธรรมะเรื่องการทำความดีนะเพื่อใช้ชีวิตให้มีค่า จะได้อยู่อย่างมีความสุขถึงเวลาตายก็ตายดีตายสงบแล้วก็ไปสู่สุคติท้ายสุดนี้ขออ้างคุณพระศรีรัตน์ใจนะต่อดจนมือกุศลที่พวกเราได้บำเพ็ญกันในวันนี้นะองเป็นพระปัจจัยนะให้มีความสุขความเจริญกันทั่วหน้าให้ปลอดภัยกายจากความทุกข์ เข้าถึงความสุขเกษมสารอีกทั้งให้อุทิศบุญกุศล น, นั้นนำพาให้ทิกเคียวได้เสวยวิปากสมบัตินะเป็นสุขในสรรัมภาภพเพื่อได้มีโอกาสได้กลับมาบรรเพ็นคุณงามความดีในโลกมนุษย์จนกันทั่งเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานด้วยเทิญ